วิธีให้บรรพชาภิกษุทั้งหลายก็และภิกษุเพึงให้คุลบุตรบรรพชาอย่างนี้ในเบื้องต้นเพึ่งให้กุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาปลงผมและหนวดให้คลองผ้ากาสายะให้ห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลายให้นั่งกระยงให้ประนมมือแล้วสั่งว่าเธอจงกล่าวอย่างนี้แล้วให้ว่าสรนคมดังนี้ไตรสรนคม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 ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสารณะแม้ครั้งที่สาข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสารณะแม้ครั้งที่สามพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการบรรพชาเป็นสมณีนด้วยไตรสรณคมเหล่านี้ลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรได้ให้พระราหุลบรรพชาแล้ว